ทั้งสองฝ่ายต่างหัวร้ะกันเล็กน้อยแล้วฝ่ายชายก็เกร่นขึ้นทีเดียวนังหนึ่งมน่อของเทว่าร้อยมาเี๋ยวฟังเปลงได้ยินเพลงก็เรงมาวงเจ้ายมาลาพอเห็นหน้าคุณตาเนื้อเพลงตอนนี้เริ่มฟังดูแปล่่นแต่งเหพวกเราฟังตายทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่รู้ความหมายคล้คลยๆเขาจะเล่นกรอนให้ตลก ข, ขัน